สิสติปัฏฐานในโกศลสูตรวงเล็บเปิดสิบห้าเมษายนสองพันห้า้อห้าสิบเอ็ดในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดเบื้องต้นรู้ให้เกิดสติเบื้องปลายรู้ให้เกิดปัญญาอันนี้พูดให้ฟังทุกวันความจริงสติปัฏฐานยังมีไย y ์อื่นๆอีกอย่างในพระสุตันตปิฎกเล่มสิบเอ็ดพระไตรปิฎกเล่มสิเกมีพระสูตรอยู่อันหนึ่งชื่อโกศลสูตรพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานอย่างย่อๆ แต่สำนวนที่สอนนี่แปลกไปท่านบอกว่ามีกายในกายเป็นวิหารธรรมมีความเพียรแผดเผากิเลสมีความรู้สึกตัวมีธรรมเอกมีธรรมเอกคือสัมมาสมาธินั่นเองคือใจที่ตั้งมั่นขึ้นมามีสติแล้วมีธรรมเอกการรู้หรือการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมีการเจริญสติปัฏฐานของคนสามกลุ่มปุถุชนทำสติปัฏฐานอย่างหนึ่งพระเสขบุคคลทำอย่างหนึ่งพระเสข หมายถึงพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาทําสติปัฏฐานอีกอย่างหนึ่งพระอระหันต์ก็ทําสติปัฏฐานอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันปุถุชนทําสติปัฏฐานเพื่อให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงคือไม่มีตัวเราเพอเห็นแล้วว่าทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราก็เป็นโสดาบันการทําสติปัฏฐานถัดจากนั้นไม่ใช่เพื่อให้เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราแต่เพื่อให้รู้ รู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นอะไรเพื่อให้เห็นทุกข์นั่นเองฉะนั้นพระเสขบุคคลเนี่ยยังมารู้กายรู้ใจซึ่งเห็นอยู่แล้วว่าไม่ใช่ตัวเราแต่เพื่อให้เห็นลงไปว่ามันเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงมันทุกข์เพราะถูกบีบคั้นเป็นทุกขังทุกข์เพราะว่าเป็นอนัตตาส่วนพระอรหันนะทําสติ ป, ปัฏฐานเหมือนกันท่านก็รู้กายรู้ใจแต่ไม่ได้ทําเพื่ออะไรท่านบอกว่ามีกายในกายเวทนาในเวทนา จิตในจิตธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรมมีความเพียรอยู่ตามรู้ตามดูกายอยู่มีธรรมเอกมีธรรมเอกเหมือนกันแต่ไม่ได้ทําเพื่ออะไรวัคสุดท้ายไม่ใช่เพื่อให้เกิดยานทัศน์ให้เห็นแจ้งแต่ว่าทําไปอย่างนั้นแหละจิตมันพรากออกจากขันรู้กายในกายจิตก็พรากออกจากกายรู้เวทนาในเวทนาจิตก็พรากออกจากเวทนารู้จิตในจิตจิตก็พรากออกจากจิต รู้ธรรมในธรรมจิตก็พรากออกจากธรรมฉะนั้นถ้าเราภาวนาจนไปถึงจุดสุดท้ายเนี่ยจิตเราจะพรากออกจากขันมันแยกออกจากขันนะขันก็ทำหน้าที่ของขันขันก็มีอยู่ขันเป็นวิบากไม่มีใครทำลายได้เพราะฉะนั้นขันยังมีอยู่นะแต่จิตพรากออกจากขันพวกเราตอนนี้จิตไม่พรากออกจากขันจิตคลุกอยู่กับขันตะลุมบอลอยู่กับขันตลอดเวลา พอมหัดรู้สึกตัวก็รู้สึกมันแยกแย ก, แยกออกมาแยกออกจากขันได้นิดๆหน่อยๆนะเดี๋ยวก็เข้าไปรวมอีกแล้วทำไมหวงแหนขันมากเพราะเห็นว่าขันเป็นตัวเราทีนี้พอภาวนามากเข้ามากเข้าเห็นว่าขันไม่ใช่เราแต่ขันนี้ยังนำความสุขมาให้ได้ฉะนั้นทําสติปัฏฐานต่อไปอีกเห็นว่าขันนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ขันนาความสุขมาให้ ถ้าเห็นขันนำความสุขมาให้ได้ก็ยังไม่วางขันไม่พรากออกจากขันยังชื่นชมในขันเกาะเกี่ยวอยู่ในขันตราบใดจิตยังเกาะเกี่ยวอยู่ในขันนะภพชาติจะยังไม่สิ้นสุดหรอกที่แสวงหาภพชาติก็เพราะรักขันนั่นแหละมีภพมีชาติขึ้นมาก็คือมีขันขึ้นมาถ้าปัญญาแจ่มแจ้งว่าขันนี้เป็นทุกข์ก็จะวางขันหลังจากนั้นถามว่าทาสติปัฏฐานไหยก็ทาทาไมต้องทา ทำเล่นๆไปอย่างนั้นแหละเพราะสติมันอัตโนมัติมันก็รู้กายรู้ใจของมันเองทั้งวันแต่รู้ไปอย่างนั้นเองจิตกับขันมันพรากออกจากกันแล้วเพราะฉะนั้นขันเป็นตัวทุกข์ขันเป็นตัวแปรปรวนนะก็ทําหน้าที่ของขันไปแปรปรวนไปแต่จิตที่ฝึกดีแล้วไม่ทุกไปกับขันก็ดํารงชีวิตไปจนกระทั่งวิบากหมดวิบากหมดก็คือขันมันแตกขันนี้เป็นส่วนของวิบากนะเกิดมาด้วยวิบากขันมันแตกสลายไป จิตไม่ไปสร้างพบใหม่ฉะนั้นเราฝึกไปนะฝึกไปเรื่อยๆสังเกตกายสังเกตใจรู้กายรู้ใจไป